การปฏิบัตินะ่ะจับหลักให้แม่นแม่นแล้วง่ายไม่รู้หลักเลาทําไม่สาเร็จหรอกหลักของการปฏิบัติง่ายๆเลยนะให้เรารู้ทันความปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งซะเองคอยรู้สิ่งที่ปรุงแต่งนะกายกระใจเราปรุงแต่งเรื่อยๆลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าลมหายใจก็ปรุงแต่งร่างกายนะ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 ผู้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะไปคิดว่าปรุงยังไงแล้วจะดีปรุงยังไงแล้วจะบรรลุหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินะให้รู้ทันความปรุงแต่งะจิตมันมีความอยากจะปฏิบัติเกิดขึ้นให้รู้ทันว่าอยากจิตมันอยากจะบรรลุมรรคผลพพนิพพานรู้ทันว่าอยากจิตมันดิ้นรนค้นคว้าว่าภาวนาอย่างไงแล้วจะดีจะบรรลุเร็วๆรู้ว่าจิตมันดิ้นรนค้นคว้าจิตเป็นไงก็รู้ทันมันลูกเดียวเลย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 หัดภาวนานะแล้วก็สงสัยเราควรจะดูตัวไหนดีดูตัวผู้รู้ดีหรือจะดูอารมณ์ที่ถูกรู้นี่อารมณ์มันไหวอยู่ที่กลางหน้าอกนะตัวผู้รู้มันอยู่ข้างบนจะดูตัวไหนดีว่าพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุก์น่าจะรู้ตัวที่อยู่กลางหน้าอกนี่ตัวนี้มันทุกเนี่ยตัวข้างบนผู้รู้นี่ไม่เห็นมันทุกเลยหลวงพู ด, ดูนบอกให้ดูจิตจิตมันอยู่ข้างบนมันเป็นคนรู้หรือว่าเราจะดูใส่ตัวนี้ดี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 เออก็ถามครูบาอาจารย์อย่างเดียวไม่ได้เรื่องหรอกหนะลวงปู่เทศก็สิ้นไปหนะลวงปู่สิมก็สิ้นไปสิ้นไปเป็นลําดับลําดับลําดับนะจนองค์สุดท้ายหลวงปู่สุวรรัตถามดีไม่ดีวะติดปัญหานี้มายี่สิบปีแล้วดูตัวไหนดีไม่ถามนะทําไมเราปล่อยครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆมรณภาพไปหมดแล้วเหลือหลวงปู่สุวรรัตอยู่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 ไม่มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงไม่มีที่ตั้งนะเต็มโลกเต็มจักรวาลเต็มขัน อ, อนั้นเต็มทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นั้นงั้นในขันนี่นะทารุ่นก็ซึมซ่านได้ในขันนั้นสุญญาตาก็ซึมซ่านอยู่ได้ทารุ่นไม่ใช่สุญญาตานะเพนั้นซึมซ่านอยู่ได้เพราะนั้นไม่มีขอบมีเขตนะเป็นอิสระภาพเป็นอันเดียวรวดเลย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 เพราะฉะนั้นเราค่อยๆเรียนรู้ความปรุงแต่งไปเรื่อยนะแล้วก็คอยรู้ทันตัวเองที่ปรุงแต่งรู้ทันความปรุงแต่งของตัวเองไปเรื่อยอย่างนี้ก็ปรุงนี่วะอย่างนี้ก็ปรุงนี่วะเอาลวไม่ทาอะไรเลยไม่ทาอะไรเลยก็ปรุงนัะะ่นหรอวะแต่ปรุงแบบสุดโง่เลยไม่ทำอะไรเลยอย่นะงปรุงว่างๆปรุงไม่ทำอะไรนั่นก็ปรุงทั้งสิ้นอยางเบื้องต้นนี่แหละปรุงแต่งยังไงมันก็ปรุงแต่อย่าไปช่วยมันปรุงนะ